นาง่างสบายวันนี้พระพระฝังเทศเท่ากับบรญจาวคีเลยวันนี้แมสู้เนี่ยน้อยไม่ได้แม่ น, น้อยเยอะกว่าพระแเนาะเพราะนั้นแน่ น, น้อยต้องออกกิดนี่บนเยอะกว่าพระ ในน้อยมาไม่ครบนะในน้อยมาครบแล้วปะครบอ้นน้อยมีเก้าเก้ารูปน้อง น, นั้นก็พระเขาสำเร็จกันหมดแล้ว วันนี้ว่างวันอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคนนี้ก็ต้องไปคุยเปลี่ยนเรื่องบัญชีทั้งวันบัญชีธนาคารประจัดการเรื่องบัญชีธนาคารให้มันถูกต้องตามที่เขาอยากจะได้นะใช่แล้วพรุ่งนี้ไปจัดการบัญชีธนาคาร เดี๋ย อ, อาจจะเครียดกันนอนี่เครียดไหมวันนี้เครียดไหมไม่เครียดแล้วอืมไม่เครีคยดแล้วขำไหมขำขำขนาดไหนอะขำขนาดไหนระดับความขำเนี่ยแสดงว่าขำกิแตก่แตนึง อืมอืมันคนละพักวคนละโลกเลยก่อนก่อนที่จะมาเนี่ยวนี้จะพักนิดหนึ่งทีละครั้งเบ่งเบงเอามาเลยปาก แต่หกโงกว่าถึงทุ่มกว่ามีชาวสิงคโปร์มาเลยคืลอลำพาไปทุกปีทุกปีเขามาเยี่ยมเขาก็มาทำงานด้วยแล้วก็มาสนธรระนามเรามาถามธรร ม, ม, รร ม, มะแสดงมาได้ผลที่ลำพะไปมาเลยก็เอ็นดดเขายังจำได้ผมพูดอะไร ใม่แอ้วาดรูปสามรูปเขาก็ยังตอนนี้เข้าใจคือสามรูปเลยเขา้าใจภาพดูตอนนี้เรามาบถามคำถามของเขาเหมือนคำถามธรรมดาวกเราลองฟังดูคำถามแต่ละคำนี่จุกเหมือนกันเนะาะเพราะเราเราป็นคนไทยเรานักปฏิบัติอย่างพวกเราเขาไม่มีเวลาอย่างเรา ที่จะเจอจะได้พบครูอาจารย์ได้เล ย, ยสนทนาธรรมสอบถามตอบปัญหาถ้ามีกํารู้จะไปถามใครทมติดขัดแล้วก็รู้จะไปถามใครมันมันไม่มีคำตอบคราว น, นี้เขามาถามโดยเวลาที่จำกัดเขาถามธรรมดาถามเรื่องภาวนา ถามเรื่องทั่วไปเช่นความฉลาดของคนเรื่องการปล่อยวางอะไรพวกนี้ง่ายๆก็ถามว่าคนมีปัญญาทำไมไม่ชอบครบคุยอะไรกับใครข้าอยู่คนเดียวเขาแี่เข า, เขาขมีปัญญาเขามองอย่างนั้น แล้วคนที่มีปัญญามันน่าจะ ต, ตัดสินใจเร็วเข้าไปอย่างนั้นแต่เหตุมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยปรัรบเป็นเหตุเป็นเหตุว่ายกเอาสมัยพุทธกาลเป็นหลักก่อนนะครูใหญ่ยกเอาคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นมาตรฐานไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลสาวกซ้ายขวาของพวกเราพระสาริบุรสาวกซ้ายหรือขวาหเอาแล้วอันเนี้ยเบืองซ้ายหรือเบืองขวาสารีบุรซ้าย โมขลาลา ข, ขวางแน่ใจนะโหดเสยไม่มีความมั่นใจเลย <c oughs> ต่อต่อถามพระเถอดทาเร็วๆอย่างเงี้ยหมดเหมือนกันนะ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าสายขวาก็ว่ากันไปแตกประเด็นก็คือ <c oughs> พระษาลิบุตรเนี่ยเป็นเราไดครับเป็นย่องแล้วเอตาตะคะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญามพระมกลานะเป็นผู้ย่องทางทางอะไรนะยุ่องทางอะไรนะผู้มีเล็ดเเออคําถามมันก็คือคือตอบเนี่ยแล้วทําไมพระมกขลานี่กี่วันบรรลุอาหาร กี่วันเนาะเจ็ดวันนะพราะาลิบุตรฮะชิบันเออได้คำตอบหรื อ, อยังฮะเราได้คำตอบหรื อ, อยังเนี่ยที่พูดพูดพูดเนี่ยนั่นมันคือสัญญานะเนี่ยที่เราถามกันนะต้องการให้เราเกิดปัญญาว่า สารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาทำไมใช้เวลาทั้งสิบห้าวันแต่พระมุขลานะเจ็ดวันก็บรรลุแล้วคนยังคนมีปัญญาน่าจะคิดเร็วตอบเร็วแล้วก็เสร็จเร็วนี่คือคำถามที่เขาถามเห็นไหมว่าทำไมาคนปัญญาทำแรงช้าแต่จิงใจช้าทาเทศกัดสินใจเร็ว ก็เพราะว่าคนนี้มีปัญญาเนก่ยท่านพิจารณาที่ท่วนรอบครอบนี่คือลักษณะของผู้มีปัญญาตัวนี้ตะว่ า, างผู้มีสัญญาความต่อว่าถ้าเราจะอยู่ด้ยวยกันดูอยางไงบางคนนี้มีปัญญาไม่ธรรมาดานะถ้าเป็นเราเราจะตอบเขาอย่างไง มันตึ๊บตอบว่ามันตึ๊บเ้วจะตอบยังไงอะคือเข้าใจแต่อธิบายไม่ได้นี่คือคบว่าเข้าใจไม่ใช่หม่เข้าใจจะอธิบายไม่ได้ก็เลยบอกเขาเขาว่า คนที่ใช้สัญญาปลายทางมันเป็นไปด้วยความยึดถือปลายทางเขานะคนที่มีปัญญาปลายทางกันปล่อยวางลักษณะอย่างเนี้ยถ้าจิตเราก็ดีอะไรก็แต่ถ้าเกิดนิการรู้การเห็นเกิดแท <c oughs> มันเป็นไปด้วยความยึดถือ หปปล่อยวางนั่นแหะคือสัญญา isten, แต่ถ้าคนมีป make, ัญญาจะไปเกิดการปล่อยวางก็เลยพูดกับเขาว่าเพื่อให้ความคือคอนแตกต่างเขาถวายปัจจัยด้วยแลบีบคำถามหนึ atan, ่งที่คถามก็คือที่ลามคำถามว่าคุณพระบุตดาที่เขาบอกว่าเป็นพระอรหันต ทำไมต้องจับปัจจัยธรรมดานะก็เลยถามว่าอืเขาถวายปัจจัยถ้าสมมติว่าหลวงพ่อจะจับปัจจัยมันจะผิดไหมรับปัจจัยจากเขาในผิดไหมคิดว่าผิดไหม วันนี้ก็เป็นที่ปรทีปที่บเทียนตวันยังเทียงไม่เสร็จเลดโลกก็กลาหอลนนะั่นเอมันต่างกันตรงที่ว่า ปัจจัยหรือว่าเงินทองที่ได้มา <c oughs> ให้มองเห็นระวังคนที่ใช้สัญญากับปัญญาคคที่ใช้สัญญาเป็นไปด้วยความเชื่อถือไปวางถามว่าเงินที่เขาให้ก่อนก่อนนห้นเป็นเงินของใครพ่อบอกเป็นของเขามันก็ถูกต้องนะแล้วตอนนี้เป็นเงินของใครร็ถวายขอหลวงพ่อ รับเป็นของหลวงพ่อสมมติเงินในขณะที่อยู่ในกร ะ, ปะเป๋าขอเกิดมันหายจํานวนเท่ากันเนี่ยเขาจะเชดอย่างไงทันแใจได้ไหมแล้วสมมติว่าเงินเนี้สมมติว่าถวายหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มอบให้คนอื่นต่อนะถามว่าเงินเป็นของใคร เออนี่คือสัญญากับปัญญาไม่ใช่ใครยึดใครติดใครจับใครถือก็เป็นของคนนั้นนี่ที่เราอุปท า, านนี่คือสัญญาแต่ถ้าวางบอกว่าได้เงิน5้าร้อยพันหนึ่งนี้ไมันไม่ใช่ของใครมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะนึกาตอนนี้ไปเซเว่น พอจ่ายตังค์สิเป็อยู่ใน ก, กระเป๋าพอจ่ายไปแล้วเป็นของเราไหมทําไมทําใจได้วเวลาเงินหายทำไมทําใจไม่ได้เงเินกูไปไหนวะใครเอาไปวะเงินกูเลยนะแล้วเงินกูอื่นหายเราเดือดร้อนไหมาตายแล้วกูไอ้บนหัน ตายแล้วกูอเออเห็นไหมนะวิธีคิดทำแล้เกิดปัญญานี่คือเราว่าสัญญากับปัญญามันตีกันอยู่อย่างนี้แต่เราแยกไม่ออกเขาถามดีมากเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยทาใจไว้ว่าเมื่อเขาหมดไปแล้วธุรกิจหรือตอนที่อยู่ก็เขาจะไม่ได้ มายึดไปเออดีแล้วอย่างนี้นดีแล้วเห็นไหมการภาวนามันเกิดเป็นอยองมังแต่สมมติเราเข้าอีกมุมหนึ่งโทษว่าเออแล้วธุรกิจเงินทองกูตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงว่าใครคนจะแย่งกันไหมใครจะได้มากใครจะได้ไมยเกิดอะไรขึ้นใครทุกข์เออนั่ น, น่ะอุปาทางพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบอกเออทำใจไว้ก่อนเลยว่า อ, อธุรกิจองินทองที่ไม่อยู่พอ หมดลมหายใจหรือพวกไงตายไปแล้วนะ่ะเขแล้วแต่มั้งต้องทับใจก่อนเออแน่แต่ข เ, เขาภาวนาเป็นนะนี่คนภาวนาเขาต้องอย่างนี้คือต้องฉลาดแต่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าความฉลาดของจิตออืถ้าจิตฉลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็ต้องการความเพราะนั้นคําว่าสัญญากับปัญญามันต่างกันอย่างนี้ แต่คนทั่วไปจะมองไม่ออกคนทั่วไปก็จะใช้ว่าคนที่เรียนดีจาเก่งเป็นคนมีปัญญาของเราไปมองเนียแล้วลืมไปแล้วมันมันเรียนดีมันมีสัญญาณดีมันเก่งไหมกูเป็นคนดีไหมเพราะนั้นเวลาเราสวดกันเนี่ยมันมีความหมายมากาวิชาเจรณะสัมปันโนสวดทุกวัน มันไม่ใช่มีวิชาคือรู้ดีอย่างเดียวนะจาราะนะคือความประพฤติมันต้องดือคือตึงพร้อมเพราะนั้นคุณสมบัติที่เราต้องการคือต้องการคนดีด้วยคนเก่งด้วยมีแต่าการคนเก่งทวนเราต้องการคนเก่งเวลาทำงานบริษัททางร้านเราไม่มได้ถามล่วเป็นคนดีเนี่ยคือเป็นปัญหาคือจะเอาแต่จารณะแต่ไม่เอาวิชาเอาแต่วิชาไม่เอาจารณะบ้านเมืองเราต้องเป็นอย่างนี้ไง โดยภาพรวมอ่ะที่เขามองไม่ออกอ่ะมันเป็นอย่างนี้และแก้ปัญหาทุกวันก็คือแก้แก้เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้แก้ที่จิตใจเลยถ้าเราแก้เศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกันถ้าเราป้องเป้า อ, อ, อย่างนี้มันจะดีไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าตีแจมั น, ม, นมันไม่พอสักทีมันไม่ยอมรับสักทีมันก็เป็นอย่างนี้คนที่แกล่นะต้องเป็นคนภาวนาคุณไม่ภาวนาไม่ได้นั่นคือปัญหาหลักๆของพวกเราเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราสามารถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็อธิบายใ ห, ให้เขฟัอองอืมไอ้เรื่องจับเงินจับทองหลวงปู่แอนก็จับแต่มัไม่ได้จับอย่างเรานะ ว่าถวายแต่เขาเอาเบอร์มาดูมนโนเลยรเขาก็มองเป็นกระดาษจิตท่านเป็นกระดาษไม่ได้จะเป็นเงินกองเออเพราท่านมองเป็นกระดาษเนี่ยแต่เราแต่เร า, เราคนมองทำไมท่านถึงจับเงินเราไปมองเป็นเงินปุ้บุญดาเหมือนกันนะ่ะท่านก็คือกระดาษหลวงปูอุปสีเนะี่ได้มาท่านเผ่านะเราไปโทษท่านว่าโอโหอันนี้มันก็าหาไร่เลียงนะขอพระนบัตรเนี่ยเป็นชาวบ้านในไร่ลเลี้ยงนะ โทษหนักหนะ่อแต่กระถ่านเนี่ยได้มาตั้งแต่เผาเผาทิ้งอะ่ะและ้วจะไปโทษตั้งก็แสดงเห็นว่า ม, มันก็คือกระดาษมันก็คือเหมือนหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเผาตังไหนก็เหมือนกันเลยแต่เราสมมติว่ามันมีก้าวมันวัดกันที่ใจวัดกันที่จิตมันไม่วัดกันได้บัตภายนอกอและขณ น, นการปฏิบัติของพวกเราต้องการให้จิตของเรา ยกรับถึงขั้นนี้ทาไมงั้นของห น, หนักๆอื่นๆนีิตามมาเช่นรูปขันนามเราจะแยกไม่ออกเลยก็คือขั้นห้าแยกไม่ออกอะไรคือรูปอะไรคือนามแยกไม่ออกอะไรคือกายอะไรคือใจเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เราก็จะแยกไม่ออกว่าทุกข์ของกายทุกข์ของใจจะบนกรหาจะจาความสุขสุขทางไหน เราบอกว่าทุกทกทางไหนเราไม่เคยหาคําตอบมาได้แยกตั้งแต่วิธีคิดแล้วมันก็เลยเมารวมเป็นแกงเหาะหมดแล้วแกงห้องมันอร่อยเหมือนกันนะ mm. คือลุ่มรวมกันฮะรวมเม็ดนี่แหละ mm. นะทุกวันเราเป็นยังไงความคิดคำพูดการกระทําของเราเป็นอย่างนี้รวมทั้งหมดนั้นเนี่คือกรรมนี่ยคือคำว่ากรรมที่เรา แล้วกระทาอยู่ตักวันนี้ตอะนั้นถ้าจะภาวนาพวกกันแก้แก้กรรมก็คือแก่อย่างนี้ยคือแก้ความคิดแต่เดิมเดิมเอมันที่ไม่เป็นระบบแก้คําพูดแก้การกระทำนี่นคือการแก้กรรมจริงๆมันไม่ใช่ไปให้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาอางนั้นวัดนี้วัดไปแก้กรรมแก้เวี้ยลดน้ำมาขากน้ำมนต์เนี่ยสุดท้ายคุณจะได้ต่างคือทูเจ้าหรอภ พ, นกกพนกกนหนักก็ไปเอกจทูตเจ้าพูตเจ้าก็ลงหนักก็ไปเออข้าน่ะแก้กรรได้น่ะ อืมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนาะโดยสภาะทุกวนันแล้วเราก็ชอบนิยมไปวัดไหนอะไไม่ได้ว่างเนาะไปหลอยข้อ่ดวงดีคือวัดอ่ะวัดะ ด, ด, ดวงนั่นดีวัดอ่ะแต่คนที่ไปดวงไม่ดีอืมคือไปได้เสียตังค์วันดับไพล์คือท่านอะดับ ต, ตัวเองละเพิ่มไพล์มันไม่มาสันติธรรมมังเา มันเนี่ยมันสงบมันไม่อะไรไม่อยากมาเพราะมันไม่มีอะไรมันดับอะไรไม่ได้โอหนะกกับอีกหมือนล้านอเหมือนขึ้นลองนะโอมันก็ได้เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพรวมวันนั้นมันถึงไม่แปลกละมันมีอุปสรรคมีปัญหานานประการเราถึงมันแยกพวนี้ไม่ออกเพราะนั้นคนที่ นักภาวนาโดยเฉพาะของของขูบาอาจารย์ที่จิตท่านอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือเาเรียกว่าเหนือสมมตุติเราจะใช้คำว่าพ้น่ไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้มันไม่มีในโลกเนะมันก็มีในโลกไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีทนาในร่างกายมันก็มีแต่มีอย่างรู้ปุ๊บท่านวางทันทีเมื่อกี้เขาก็พูดถึงเวทนาฐานถึงเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรอยู่กับมันต่อสู้กับมัน มึง ใ, ใจก็สู้กับมันโอูแสดงว่าเขาภาวนาเป็นนั้นคนก็ถามได้หรือตั้งคําถามนี้ได้จริงๆเราไม่ต้องไปแต่ไปสู้กับมันเพียงแต่รู้การเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วดับไปของมันที่เจอหรือถ้าสู้ไม่ได้จริงเราก็ไปคิดเรื่องอื่นสมมติเราทุกคิดแล้วมันสบายใจทําไมต้องไปคิดอยู่อย่างนั้น มันจะไปคิดต่อรู้แต่มันไม่รู้ว่าถูกไงไม่สบายใจก็บทุกคือไม่ชอบที่หน้าคนเนี้ยแต่มันก็ยังนึกถึงมันอยู่ยังโพดถึงมันอยู่เพราะมันจะไปหายไปได้อย่างเราเราก็นึกคนที่เราชอบใครก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปถือคิดนึกใครก็ได้พุทธิยาประทานประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแยแค่เปลี่ยนก็ มันก็จบแล้วแต่ไม่เปลี่ยนก็จะอยู่อย่างนั้นคือแต่ย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นจนเกิดอคติขึ้นมาในใจเกิดจะเราทำซ้ำอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเรายืนเดินนั่งแล้วยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพี่จะเรานอนเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นานแล้วมันเพลิน เรื่อพลเอนในธรรมในข้ออัดก็ทําที่เรายกขึ้นมาพิจารณาสุดแล้วสุดท้ายไปทางอันส่งเขาจะเป็นเพื่อกันละถอนปล่อยวางสิ่งใดที่เราอยู่ในความคิดอยู่ในการพิจารณาของพเราแล้วมันจะวางอารมณ์ได้เร็วเพราะเราเรียนรู้มาแล้วเราเคยเรียนรู้มันมาแล้วมันจะวางได้เร็วไม่งั้นเราก็จะถืออยู่เนี้ยมาเมื่ อ, อไหร่เราก็จะเหมือนเดิมทุกเรื่องเพราฉะนั้น ถ้าใครยังวางของเหล่านี้ไม่ได้มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาตัวเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่จช่เป็นปได้แบบนึกบุตโทธรทโมรโอสังโฆสัมมาอารหังมันยุบหนอพองหนอแล้วก็ยืะอยู่อย่างนี้สติปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะนั้นปลายทางมันต้องเป็นปัญญงมันคือปัญญาต้องจบที่ปัญญามันแต่ไม่ถึงเงี้มันยังไม่ถึงกอยู่ที่ทุกข์อย่เดียวปัญญามันไม่เกิด ยังไม่เกิดเพราะเราไม่เห็นความจริงก็คือสัจจะความจริงมันก็คือความจริงแต่เราเข้าไม่ถึงแต่ที่คือไม่ยอมรับว่ามันมีจริงมันเป็นจริงมันก็ถึงได้เป็นอย่างนี้พอสุดท้ายวันหนึ่งถึงจะยอมรับไม่ยอมรับก็ตามดินน้ำไฟลมที่มีอยู่เราเขาก็ไปของเขาโดยธรรมชาติเวทนาสัญญาสังก า, ารวิญญาณทีู่่ เขาก็จะไปเขาดยธรรมชาติแต่มันไม่แค่นนามมันต้องหาที่เกาะหาที่พึ่งต่อนะจิตอมันไม่ได้ตายแต่แล้วเขาแต่ว่าตายแล้วช่างมันเะตายแล้วก็แล้วกันไปมันไม่ได้แล้วถ้าสีกันห้าเนี่ยมันแล้วแต่ตัวที่มันไปมันไม่แล้วนะภูมิชั้นที่ไปมันก็จะไหลไปตามภูมิตามชั้นความฉลาดของจิตเรียกว่าภูมิเพราะนั้นในสมัยบราณเรียกใจภูมิ คือสามภูมิเป็นที่ไปของเราแลยยุคพร่วงเขาเลยแต่ภูมิพรวงเทเราเรียนมาก็คืออันนี้แหละเขาพูดกันวนสมัยตั้งแต่รบบริสุขโขไทยมานานและของพวเนี้ยะเอื่อเยอะพวกนี้ยแต่เราก็ไม่เคยเรียนรู้ว่าอภพภูมิที่แท้จริงมันไปยังไงมาอย่างไงเอนพวกเราไปยังไงมายัางไงก็มานั่งดูพิจารณาดูตัวเองถึงแม้ยังไม่มียาน วิเศษหรือว่าอย่างพิเศษที่จะเรียนรู้ที่ผ่านมาก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นไปดีที่ปัจจุบันก็ดีเราไม่มีการเรียนรู้ของคนนี้ก็ดูปัจจุบันก็ดูปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงในขณะขณะจิตที่เป็นปัจจุบันมันอยู่กับอะไรที่มันปัสสาะที่มันกระทบที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นที่เราปัจจุบันธรรมดูดูนะก็พิจารณาไม่ใช่ไปติดกับมันไปยึดกับมัน ดูเสร็จแล้วให้เข้าใจว่าอทั้งหมดทั้งมวลอะเรามีคนเดียวไหมมันขึ้นกับเกิดเราคนเดียวมันไม่เราจะบอกมันไม่เป็นธรรมไได้เพราะมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันไม่ใช่ทุกแต่ละคนเดียวเราจะเรียกเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเรามีเพื่อนไม่ใช่ไม่มีเพื่อนทุกคนมีเพื่อนไม่ใช่โดดเดียวเดียวดายแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ในเพื่อนที่เรามีอยู่ถึงเราไม่มีเพื่อนก็นี่แหละเกิดแก่เจะตายนะคือเพื่อนของเราแต่ตอนนี้เราไม่รักเพื่อนเรารังเกียจเพื่อนมากเลยตอนนี้เพื่อนก่เก่เจ็บตายเนะี่ยตีพัาทายลังเกียดมากเลยไม่อยากได้ยินไม่อยากพบไม่อยากเจอมันไม่คือเราปฏิเสธคือเราไม่ยอมรับแล้วจะไปเกิดปัญญาได้อย่างไรมันไม่เกิดปัญญา พอพอไม่เกิดปัญญามันก็เป็นอย่างเนี้แต่นี้ พ, พูดถึงปัญญาพูดถึงภาษาลิบุตรพูดถึงโมคลามนับปุ๊นี่ยนึกถืออาจารย์ของท่านอาจารย์สาษาบุตรโมคลาคือท่านสันชัยสันชัยปฏิบัตชกมูสิดเยอะนะก็เป็นยมัน พ, พ อ, อบพุทธเจ้าเลยนะแต่คนไปนับถือนี่ลูกศิษย์สองคนโมคลาสาระบุตรคือเสร็จแล้วก็นึกถึงอาจารย์่ะ มาเจอพุทธเจ้าแล้วพระทาไม <c oughs> ไม่ไปหาพุทธเจ้าไม่พบพพุทธเจ้าไม่ฟังทางพระพุทธเจ้าสัญชัยก็ไม่ธรรมดานะเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์คนคนที่นับถือเยอะแยะมากมายยู่ๆก็จะเปลี่ยนจะปรับไปเลยนะโอ้เดี๋ยวโดนคนเห็นควางปากมาแตนะ่งแน่เนี่ัข้าตันชัยก็เลยถามสารบุตมกลานะ ว่าลวกนี้ระหว่างคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันคนโง่ไปเยอะกว่าคนฉลาดมีน้อยคนฉลาดที่มีน้องไอ้นี่จงไปหาสมณะอดุลเถิดแต่คนที่ยังไม่มีที่พึ่งที่คนโง่คนฉลาดน้อยก็ มหาเราเขายังพอมีที่พึ่งอยู่บ้างแต่ถ้าไปเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเห็นหมันั่นคือสันชัยนะมันยุ่งถึงนึกถึงพวกเรานึกถึงหลวงปู่ชาตอนไปพบหลวงปู่พราะหปูมันฟังธรรมก็คือไม่ได้นานบูชาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นของเราไม่ได้นานก็ขอยัตติเหมือนหล ว, วงปู่แหวนหลวงปู่ก็หลวงปูเรา เป็นขนาดใหญ่มาก่อนก็เป็นมาในใครมาก่อนก็จะตีไใหมดแต่หลวู่ช้าก็เช่นเดีวยวกันขอจะติหลวปู่บอกปู่มั่นปู่ใหญ่บอกโอไม่ต้องหรอกท่านชาติชท่านชาจะตีแล้วอีกหนึ่งเขาจะไม่มีต้นแบบไม่มีตัวอย่างเลยก็อยู่อย่างนั้นแต่ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติทากิจวัตรขวัดเหมือนพวกเราถึงได้เป็นอย่างนี้เป็นธาตุมันจะติหมดเลยเนี่ย ฝ่ายฝ่ายนั้นเขาก็ยังไม่มีเพรงนันบูชาจะเป็นสายมหานิกายแต่ปฏิบัติเหมือนสายพวกเราหมดเลยนี่นคือเป็นที่มาเพราะว่าทั่วนันนี้ปกติเป็นสายหลังจริงนูกบูชาก็ไม่ได้น้อยน้าในประเทศทางประเทศเนี่ยนี่คือวิธีคิดของนักปราดไม่ได้คิดอย่างเราเนี่นยเราจ พวกเราโอ้ไม่นา่าจะกลัวโอ้คนที่คนที่มีปัญญาคนยังฟังแล้วเ อ, เอาเป็นน้อมเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินี่สายเราก็ลงปู่ลงปูเราก็มีท่านก็นมียึดมีอุดมคติแต่นภูชุกคุณอุบาลีนภูสิงห์คัทยาขโมจงเป็นสายหลักเป็นสายหลังของนภูสิงห์เรา ตอนท่านไปอยู่กรงเทพประโยชน์บรมนะครูอาจารย์สมัยก่อนเข้ากรุงเทพนะไม่ใช่ไม่เข้ากรงเทนะมเอาปู่มาเฮ้าไม่คิดว่าท่านไม่เรียนหนังสือนะเรียนหนังสือแต่ไม่สอบเรียนเหมือนกันแต่ไม่สอบไม่เอาใบตีตัวเองเรือว่าใบบรลุงบาลีแต่เรียนทุกคนเรียนน่ะพวกแอนเรียนบุงกระจายนะไม่ใช่ไม่เรียนหนังสือนะ ยวเราจะเข้าใจว่าพ่อป่าเขาอาิฐานเขาไม่เรียนหนังสือเขา้าใจผิดอืมอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจาออไม่ใช่เป็นต้องเรียนไม่ต้องมีทางปริยัติอันนี้เราเขา้าใจผิดจริงๆแล้วก็บาอาจาร ย, เรย์เรียนเรียนหนังสือนะไม่ใช่ไม่เรีแต่เรียนท่านไม่สอนท่านไม่เอาแต่มีความรู้ในทางปริยัติเยอะกว่าพวกเราไม่ใช่เยอะแต่มดนต้อเพราะนันกงาน บอกพวกเราทั้งหลายว่าเออเราก็ยังศิษย์มีครูศิษย์มีครูอาจารย์เป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับเมื่อสมัยพุทธกาลเราไม่มีแล้วในยุคพุทธกาลยุคเราก็ยังลงเหลือที่สืบทอด <c oughs> ต่อๆกันมาโดยก็ยึ่งคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนับบอกว่าทั่วนี้พระมหาพระดีดกับไม่ได้แล้วไม่รู้ เอาบรรทัดานอะไรเป็นต้นคิดเพราะไปพิจากับพระที่ตัวเองนับถือแล้วเป็นอย่างนบอกตัวนี้พระหาพระดีกาบไม่ได้แล้วถามพระดีใ น, นความหมายของคนคืออะไรที่คุณจะทานคุณสบัติพระพรือคืออะไรเหมือนเทรสวรดไหมอ่านสัมม า, ส, าสัขปขะโตสุติปโนนั่นคือคุณสมบัติของพระเทรสวดสวดส ว, สวทุกวันนี้นั่นคือสมบัติคุณไม่ไปอ่านดู ไปดูความหมายคุณสมบัติของพระทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาความอยู่ความเป็นความตายแรกมาด้วยร่างกายบงมาด้วยชีวิตแต่ละองค์แต่ละท่านเดินจากอีสานขึ้นมาเหนือเหนือลงไปอีสานมัเดินไปเดินมาข้ามจังหวัดข้ามพาติข้ามประเทศกว่าจะพบกว่าจะเจอกว่าจะรู้ความหมายพอเสร็จแล้ว อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ในเมืองในป่ามันไม่ต่างกันโดยสภาพแวดลอ้อมมันก็ไม่ต่างอยู่ที่แวดล้อมเท่านั้นเองส่วนวิธีชิดวิธีพูดวิธีทำมันไม่ต่างกันเลยนี่คือความหมายเพราะนั้นแต่ว่าก็อยากให้เขาว่าละเข้าใจเข้าใจความหมายอย่าลุ่งพ่อไปไหนกขาบอกท่าในเมืองเนี่ยมันจะไม่มีใครสนใจเลยพราะสบายยริงๆเลยก็ไปมลลมมาต้มกันะ แต่โอ้โ ห, โหลุมกันบาลุมมาตุ้มเพ ร, ะพระาะพระปฏิบัติพระปางเป็นพระปางอื ม, อมก็ดีเหมือนกันเราพระเมืองก็สบายใจไม่ต้องเปกังวลอะไรแล้วก็ดนนีอืมแต่ที่แน่ๆคือเราจะจะไปตัดสินองค น, น, น, นั้อนองคนี้องโน้นว่าเราดีแค่ไหนไปตัดสินใจท่านมันไม่ได้โดยเฉพาะยิงกวาจาย์อย่างน้อยเธอไม่ต้องอะไรมากล่ะ ทัวชมาสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยอย่างน้อยสิ้นห้ามาเป็นบรรทัดฐา น, นะก็เป็นบนุษย์เป็นมบรรณติที่ดีกว่าเราน่ะอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยแต่สมณะนี่ก็สิ้นสิบเป็นอย่างน้อยนะ응แล้วก็สิน 8, 응้นแปดเป็นอย่างน้อยมาสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีจะไม่เป็นคนดีในสายตาบ้างเลยเลยถ้าพูดถึงมาเราพูดถึงคุณธรรมนะถ้าจะพูดถึงคุณธรรม น, นั่งไป 20ีสามสี่ ส, าาสัปดาห์ชั่วโงสี่ช่วงหรือแล้วแต่แต่ละคนแต่ละท่านห้าหกช่วโมงหรือสว่างแล้วแต่ท่านมันจะไม่มีความดีเกิดขึ้นเลยเลยความเป็นพระไม่ปรากฏแล้วหรืออื่นๆความดีที่ตามมามันไม่มีเลยเลยเราไม่ดูแต่ที่สำคัญคือเราลองทําดูบ้างลองเดินลองนั่งดูบ้างลองไม่นอนดูบ้าง จะเข้าใจจะภาวะแทนคือมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายในรบทที่เรามียืนเดินนั่งยืนเราไม่ต้องพูดถึงแค่ตะวันแล้วแช่แค่นั่งกับเดินเพราะอะอันนี้คือคุณสมบัติหลายหลายรูปที่ทําให้เรารู้อย่างจริงจังเยอะแยะมากมายอายุของเราเช่นปูกเกษมทําไมคนที่เคารพกราบว่า เออทำไมแต่คนเคารพบาปบุฟเฟ่ต์ทาไมทำไมแต่คนเคารพบาป่าปตรงไหนตอนทันสี่การห้ากรร่าง ห, หน้าตาชื่อเสียงหรือเปล่าความดีความดีของแต่ละองค์แต่ละท่านที่ปฏิบัติสะสมขัดเกา่ากิเลสา้งสเกเลทั้งหลายเลยจบเป็นที่ประจักษ์ล้วก็มันมีอะไรเป็นตัวชี้วัด ต, ตัวบอกได้ เพราะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเราผ่านทางนี้พยายามที่จะส่งเสริมอืดูพระอาจารย์นึกถึงตั้งแต่พุทธเจ้าลงมาผู้ชาทั้งก็เป็นสารพัดเป็นไม่ใช่อยา่างพวกเรานั่นกระปบียรเรานั่นก็เช่นเดียวกันจิตดวงนี้มันไม่ได้เป็นมนุษย์ทุกพบทุกชาตินะต้องเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะถ้าจิตเราไม่สูง ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระโดยพระวิญญาะถ้าเป็นพวกนี้ไม่ได้มันจะเป็นอะไรสภาวะวิญญาณมันก็เป็นสารมันต่างกันตัวนี้ไม่ได้ที่รูปร่างหน้ากายธาตุสี่กับห้า 5, ซึ่งเขามีเหมือนกันหมดอ่ะนะนี่คือข้อแตกต่างเพรางการปฏิบัติของพวกเรารต้องการยกระดับของจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายสังขารไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศ จะมาชีพรมทุกคนเป็นได้โมในสมัยพุทธการจะชี้กันทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่สมัยโบราณแม่แต่พูดง่ายๆพุทธโสเภณีเนะีเขาก็ยังปฏิบัติธรรมมนะจนบรรลุนะคนรับใช้เศรษฐีมหาธีราชามหากษัชย์เนี่ยก็ยังปฏิบัติธรรมนะแล้วก็บรรลุด้วยอืม หลายหลายคนที่ไม่ใช่ว่าเออไปโทษโออาชีพตับต้อยดอยค้าพ่อค้าแม่ขายเราไม่มีโอกาสนี้แล้วโออย่าไปคิดใสมัยสมัยพุทธกาลไม่เหมือนทุกสาขาอาชีพพ่อค้ายาจบคนขอทานคนไม่มีอะไรเลยแม้แต่ผ้าห่มมีผืนเดียวเวลาไปวัดก็ต้องเปลี่ยนกันถ้าผัวไปวัดเมียก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีผ้าถ้าเมียไปวัดผัวก็ไปไม่ได้ แต่เขาก็ยังให้ความสำคัญแต่แถมยังไม่พอถ้าที่มีผื้นเดียวที่มีใช่กันอย่างถาวายพระพุทธเจ้าเลยไหมสัตยานะใครทำได้ก็แสดงว่าถ้าสองคนผัวเมียเนี่ยเอาถาวายพุทธเจ้าเขาก็ไม่มีละคนหนาวนี่คือสัตยานะพราะสัตยามันเกิดถ้าปัญญาไม่เกิดเรา เราไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเราไม่ครอบเราไม่พร้อมทุกวันนะมีพร้อมแล้วก็มีอย่างที่เขาไม่เคยมีไม่เคยเป็นนะเราอยู่เหนือเขาเหล่านั้นในฐานะเช่นเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องฐานะพูดยังไงคือปัจจัยสี่ยังมีอีกหลายคนที่ลา บ, บากปัจจัยสีไม่พร้อมอย่างเราบ้านกมลมงนี้อาหารบ า, บางวันก็ไม่ได้กิน บางวังก็ไม่ได้กินไม่มีขนาดนั้น่ะพอท่านเรานี่ยอยากคิดไม่ได้วเออทำไมทําไมาถึงเป็นอย่างนั้นทาไมส่งไปคนไม่เคยให้ไงมันถึงไม่มีไม่เคยทานมันนึกไม่ได้เนี่ยคือการขัดจัดกําจัดความตนเอคือชําระความตนเองแนวแน่นที่มีอยู่เพราะว่าหนึ่งเราถ้าเราไม่ทานก็มันก็ไม่ใช่ของเรา ของใครก็ไม่รู้คือทาตอนนี้แปลเป็นโลกิยะซาป น, นี้ให้เป็นอริยนะสาเราไม่ได้แปเกันยึดกันถือนะแต่ว่าเราเราทำอย่างเงี้ยเพื่อสะสมสเบียงสะสมความดีเผื่อไว้ไม่มีใครทําให้เราเลยไม่มีใครทำแทนเราได้เราเท่านั้นที่ทําได้เพราะนั้นชาติหน้านจะมีสติปัญญาดีก็เพราะว่าดุจฉันนี้แหละ ที่ทราทเงี้ยมันจะส่งผลว่าอนาคตจะคนมีโยนเฉพาะคือนั่งปฏิบททัติธรรมฐานะทางสังคมฐานะรู้สติปัญญามันก็จะดีอย่างน้อยก็เท่าเดิมหรือ ด, ดีกว่าเดิมแน่นอนมันจะไม่มีกลับมาก็ครบาการสารที่สองไม่ใช่มาแล้วแขนหายไปข้างหนึ่งตาหายไปข้างหรือหายไปสองข้างเลยหูมีก็ไม่ได้ยินปากมีก็พูดไม่ได้แง่ๆเห็นไม เราก็เห็นกันอยู่แต่มันไม่เกิดปัญญาไม่ได้แค่สัญญามันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องสัญญากับปัญญาเยอะสัญญานี่อะไรแต่ละ ม, มันยึดมันยึดมันติดเป็นของเราของนั่นของเนี้่นัน่นคือสัญญานะผลงานสัญญาสุดปัญญานะมันจะเป็นเพื่อความปล่อยเพื่อความวางต้องวางแล้วแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราวางได้ก็เริ่มถอยทุกอย่างที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามพยายามทําใจตั้งแต่บนันนี้เป็นต้นไปวันละนิดวันละหน่อยว่ามันไม่ใช่ของของเราที่เราอยู่ด้วยกันที่วันนี้คือทําหน้าที่ที่ดีต่อกันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เราเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวท่านนะตอนนี้เราทําหน้าที่ในฐานะคนทามนุษย์เป็นลูกที่ดี ส่วนหลังจากนั้นแล้วใครก็พึ่งใครไม่ได้นะใครพึ่งใครไม่ตอนนี้เราทําหน้าที่ก็ให้คิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งก็ต้องทําใจว่าเออมันไม่ใช่นะบานที่หรือว่าเราไปางเก่ีพอปัจดใจไปในกระเป๋าพอไปถวายไปอื่นก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะแต่สุดท้ายก็คือมันก็จะบุนหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้แหละไม่ใช่ของใครเพราะนั้นความรู้ความโกรธความหลงในโลกนีก้เช่นเดียวกัน ใครไปยึดไปถือเอาสิ่งเหล่านี้คนนั้นก็เป็นเจ้าของคนนั้นก็เป็นทุกข์แต่ใครยึดน้อยถือน้อยสิ่งเหล่านี้ทุกข์มันก็จะน้อยเอาแค่ทุกข์น้อยลงก่อนไหมย่ามาให้ไม่มีเลยนะอย่าพื่นเกินยิ่งยิ่งให้ ม, มีน้อยลงก่อนทุกข์ก็ให้มีเท่าน้อยแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าทุกขนะ์น่ะมันเป็นทุกข์ทางกายหลืทุกข์ทางใจแยกให้ได้ก่อนมันจะได้แก้ปัญหาตรงที่ ถ้าถทุกข์ทางกายก็แก้ที่กายกทุกข์ทางใจก็แก่ที่ใจเพราะงั้นก็แก้ปิต่ปิติกรรคือถ้าแก้ได้ทั้งสองอย่างทางกายก็แก้ได้ทางใจก็แก้ได้จะดีที่สุดเลยเรื่างไรก็ตามเบื้องต้นคือให้เรามองหเห็นว่าให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์รวมๆแล้วก็มัดรวมกันแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะตรงกันอย่างนี้ แล้วริ่เราทเนี่ยทำเพื่อแก้เพื่อผ่อนเพื่อคลายเพื่อแหงมันน้อยลงจนไม่มีในที่สุดจะเรียกว่าพ้นดวเหนือแต่ทุกต้องเป็นเรื่องของสภาวะจิตไม่เกี่ยวกับกายแล้วมันเกี่ยวกับสภาวะจิตเพรานั้นจิตนั้นเป็นนามไม่ได้ชื่ออย่าลืมว่าพบอื่นชาติอื่นเขาไม่มีรูปอย่างเราคือไม่มีการให้อย่างเรามันจึิงละถอนปล่อยวางให้ได้ พอื่นมิติอื่นเราถือว่าโชคดีเรายังมีแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะไปประลองละถอนปล่อยวางของที่มันมีอยู่นี้เราไม่ได้เรียนรู้แต่เราไปหวังนั่นอยากเป็นนั่นเป็นนเป็นเทวดาทึงมีแค่ขันสื่อเราอยากเป็นเทวดาปรารถนาอยากเป็นเทวดาจะไปขึ้นสวรรค์นั่นะคือเอาความสบายเป็นทีตั้งเราก็มาถามว่าสบายจริงไหมเขาเล่ามา เรามาว่าอยู่แล้วสบายสบายจริงไหมคนที่มีแค่ขันศีลไปสเสวยอย่างเดียวนะทําอะไรอย่างพวกเราไม่ได้นะเขาเปนคือมีโลกสวยอย่างเดียวไม่ได้อย่างเราเรามีทุกอย่างแต่ที่มีมันเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาเป็นมีสัญญาก็แปลว่ามีเพื่อความยึดความถือเพื่อเอาเป็นไปเพื่อความเอาไม่ได้เป็นเพื่อความปล่อยวาง พราะเราเข้าใจว่าสัญญา น, นเป็นปัญญาเราเข้าใจเองนะแต่แท้แต่เป็นปัญญาอย่างผู้มีปัญญ า, าจริงอย่างเหมือนตัวปู่ทั้งหลายแหละที่เลี้ยงลายอยู่เนี่ยอะไรคือผู้มีปัญญาสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นไปเพื่ความลักถอนบ่อยวางเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยากให้พวกทั้งหลายที่นักปฏิบัติทั้งหลายเลยให้อยู่กับปัจจุบันมาทำ เพปัจจุบันขนาเนี้ยสภาวพจิตของเราเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกเราอยากไปให้ใครรู้เลยเรารู้ดีหมดว่าจิตเราดีจิตเราไม่ดีเป็นยังไงก็แก้ไขถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันขุ่นข้องหมองมวลเพราะอะไรที่มันดีอยู่ขณะ น, นี้มันมันเพราะอะไรก็แค่นี้แหละแก้ไขตัวเองทุกวันด่ ว, วนเนี่ยนี่คือนักปฏิบัติ สุดท้ายไปทางครูอาจารย์ท่านก็นั่งอยู่รอท่านนั่งอยู่ท่านก็เชื่อปฏิบัติไม่ใช่ว่าท่านไม่ปฏิบัติท่านพักกันกับพักอยู่ในอริยบทที่เป็นอ่าเป็นธรรมอืมคือพักในตอนนี้มันถึงพักจิตะถึงกายไม่ได้พักแต่จิตมัได้พักกายมันทําหน้าที่เข้ามันอยู่ถึงเวลาจิตมันพักมันก็ได้พักมันก็เท่ากับพักนะที่ตรงกันข้ามถ้าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมสมมติว่าทำงานท่านวัดได้ขึ้นไปรับนอนมันจะเป็นยังไง ใจก็อยู่ไม่ได้จิตก็อยู่ไม่ได้ไม่คือการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าทํางานแล้วจิตเราพักการปฏิบัติธรรมต้องการให้จิตเราได้พัฒมันจะได้มีกําลังจะได้มีเรี่ยวแรงกําลังแห่งธรรมนี่กําลังทําเราไม่มีเมื่อกําลังเติมคือจิตมันไมีพลังจิตไม่มีกําลังแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็อ่อนโอ้คนที่อ่อนแอทําอะไรไม่ได้จิตที่อ่อนแอก็เช่นเดียวกันมันก็จะ กวนไว้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่ผัดสะมีกระทบแล้วจิตมันก็คล้อยตามหมุนตามเป็นไปตามไ ป, ประสมรงด้วยนะแต่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้สติคือนึกคืนคนั่งขึ้นมาออเนี่ยคือว่ า, าสติเมื่อสติเสร็จแล้วก็อภิปรัชนาคือพิจารณาพิจารณาสิ่งที่ เ, เห็นนะพิจารณาเสร็จแล้วมันเกิดปัญญาจิตมันจะรับรู้สิ่งเหล่านี้จิตมันฉลาดขึ้น เพราะในด้การอบรมโดยสติสมาธิปัญญาจนจิตมันฉลาดเร็วกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลนั้นมันก็คือฉลาดอ่ะซึ่งต่างตรงทางของโง่โดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมเขวัตรองำําสินภาวนาะของเราต้องการให้จิตเราฉลาดอ่ะต้องการให้พวกเราเนี่ยอบรมจิตต้องการอบรมจิตพอจิตในกระดานนี้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีผลดี แต่ถ้าคนไม่อบรมจิตเลยเนี่ยเราก็เห็นๆกันอยู่เนี่ยแล้วต่อไปอนาคตเมื่อจิตออกจากร่างไปเป็นอันไม่ต้องสงสัยเลยว่าจิตมันจะไปไหนจิตที่ไม่ฉลาดพูดง่ายคือโง่ถ้าโง่ก็จะโกรกันแลมันจะไปทางไหนมันจะมีแต่อกุศลก็ในจิตมันจะไปทางไหน응ก็เราก็ลองนึกดูเพราะฉะนั้นผู้เราทั้งหลายที่มา วัดฟังทําจําสารพนาลึที่โชคทีบ้างมากไม่ใช่สุขทีธรรมดาเรามาต่อยอดต่อตอนเพิ่มบุญเพิ่มบุญบุญคนมีบุญเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้ได้คนบาปทําไม่ได้คนมีบุญเท่านั้นที่ทําได้คนบาปทําไม่ได้ว่าอันนี้คือเราจงภูมิใจในสิง่งคือเราเปฏิ บ, บัติเช่ว่ามาโอยไม่เวลาโอ้ยวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง เราใช้เวลาก็ไม่เท่าไหร่หรืออาจจะที่ยวเที่ยวหลายท่านอาจจะเป็นครึ่งวันอาจจะเป็นเป็นคืนอย่างเงี้ยถือว่าอย่างนั้นก็หนึ่งในเจ็ดนะเขาแปว่าเดือนหนึ่งก็นพระษามีสี่วันแล้วก็แค่สี่วันเองสองสี 48, ่สีสิบแปดเดือนกว่าสิบวันท่านั้นเงมันไม่ได้เยอะเลยนะกับเวลาที่เราเสียไปกับหกวันเกือบอาทิตย์เสียไปกับการทำอาหากินปล่อยจิตปล่อยใจไปหรืเปืองนะมันไม่ได้เยอะเลยกนะับเสียเวลาที่เรา ล่วงเลยมาในในอดีตก็ดีเป็นพันๆปีมาแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรดีกว่านี้เลยมันเนี่ยธรรมะสังเวชมันไม่เกิดขึ้นมันธรรมะสังเวชไม่เกิดขึ้นก็มันไม่มีความโหดโห่มันนิพิทาความเบื่อหน่ายมันก็ไม่มีถ้าขอบสังเวชไม่เกิดขึ้นนิพิธาไม่เกิดนิพิทาไม่เกิ ด, กดอย่าบบพูดถึงอกันแล้วตอบปล่อยวางมันก็กลับมาที่อุ ป, ปทานเหมือนเดิม เพราะนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วเราใช้ปัญญานี้แหละจะเป็นไปเป็นความละตอนปล่อยวางละทีละนิดทีละน้อยปล่อยทีละนิดทีละน้อยก่าะดีไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยยังไม่พอจะไปแบกจะไปเพิ่มทุกอย่างเพิ่มทุกวันในหกวันเราไม่รู้เราเพิ่มอะไรมัางเพราะฉะนั้นในเวลาหนึ่งวันนี้เป็นวันระเราไม่ปล่อยบ้างไม่ได้เลยแค่ปล่อยบ้างเจ็ดวันปล่อยครั้งหนึ่ง กับหกวันที่เราแบกมาสารพัดแบกของคิดแบกคำพูดแบกการกระทำสารพัดเลยถ้าคนที่ไม่ไม่เข้ามาทางนี้เลยเนี่ยเราดูสภาพจิตใ จ, จเป็นยังไงวันนั้นก็ถือว่าวันนี้เราโชคดีโดยเอาเป็นต้นแแบเป็นตัวอย่างเหมือนชาวต่างชาติที่บางทีแสดงว่าเขาตั้งใจสนใจจริงๆเป็นยังงเป็นยังไงแต่คนไม่ตั้งใจไม่เป็นอย่างไงมันก็ เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนที่เราทําอยู่ดีแล้วทําให้มันต่อทำให้มันเยอะภาวนาปาวอลีก็ตามการภาวนาก็รทำให้เจริญทําให้มากจเจริญให้มากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยประมาณก็ว่าภาวนาคือทําให้ดีทําให้เป็นในแต่ละวันยิ่งแต่ละชั่วโมงยิ่งดีแต่ขอให้แต่ละวันอย่างน้อยก็ให้มีพระพุพทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจอย่างน้อยตั้งแต่ ก, ก, กด มีศีลมีธรรมในแต่ละวันเอออย่างนี้ยจิตเราจิตใจเราก็ได้สูงขึ้นตัวความเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่งั้นจิตใจเราก็โอโหัวลำบากระดับปณิจจนี่ยแจ่มากๆเลยถ้าเป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระไม่ได้มันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากศับแล้วนี่จิตนะขนาดนั้นเลยนะความไร้แรงเราก็เห็นอยู่ทุกทุกบ้านทุกเมืองทุวแผ่นดินที่เป็นคนไม่ได้ เป็นเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระไม่ได้ก็เพราะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นคุณสมบัติเห็นข้อดีข้อเสียเหล่านี้แล้วโอนะ้พระนยิ่งโกรธเน้อปรนะธานตรงนะั้นให้จตัวเองว่าเออตอนนี้อย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์นะมนุษย์กสิ่งห้ามนมะันเป็นพระนะใจบเรเสรทิ์เป็นพระโดยร่รางกายไม่ได้โดยเพศไม่ได้แต่ใจเป็นได้แต่พระอริยะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเลย แล้วก็เป็นได้มันไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับชนชั้นเป็นได้หมดอยู่ที่ความสติปัญญาความสามารถของพวกเรารดุสสธาความเชื่อมัน่นแล้วก็ปัญญาเรามีมากน้อยขนาดไหน น, นั่นต่างหากเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มสติสมาธิปัญญาให้มันมากขึ้นมากขึ้นในตละวันให้มีสติจะทําอะไรก็ให้มีสติเริ่มต้นจากข้างนึกอะไรไม่ออกเลย อยากให้เราทําเป็นนิสัยก็คือเบื้องต้นการเข้าถึงพระรัตนตรตัยต้องทําด้วยความมีสตินะกาบลงครัง้งที่หนึ่งนันนึกคุณของพระพุทธเจ้าเรียกพุโทโธอดได้ากาบครั้งที่สองรียกว่าทำโมก็ได้เขาสําคัญกราบครั้งที่สามให้รู้เป็นสังโฆให้รู้ว่าที่กราบเนี่ยไม่ใช่กาบหนึ่งกาบสองกาบสามท่เราสอนกันหมันสอนเด็กนะกราบหนึ่ง ขับสองับสามสุดท้ายเด็กเข้าใจว่าขับหนึ่งับสองับ ส, สามซึ่งมาร่ว NG กขับอะไรเนี่ยับหนึ่งคือพุโทโธขับสองธ ร, งรมโมงอย่างนี้เป็นการฝึกสติในเบื้องต้นมัวใจเราพวกเราแต่ละคนบางทีกราบยมมังไม่มีสติเลยเนะมันทำอะไรกําลังทำอะไรบางทีกราบอึ่อกอ ง, ง ก, กี่ครั้งแล้ ว, วะ่ะ ครบสามทุกอย่างอาวัตติก็ว่าสติหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่าไปถามมานเา น, านื่องตำราเนี่ยแหละคือวัตติแต่ถ้าอย่างนี้รับรองครบสามแล้วก็มีคุณข้อมีความหมายแน่นอนเพราะนั้นวลากกราบไปตั้งใจกราบจริงๆต้องเท่าตั้งใจนะตั้งใจไม่ได้กราบสักแรกกราบเพราะฉะนั้นต่อให้มีพูทโธหรือไม่มีพุทโก็ไม่มีความหมายเพราะกราบมากราบคุ้น เนี่ยคือกันเนี่ยคือกันในแต่ละวันน่ะให้เข้าใจอย่างนี้ก็สติละสติโอปัญญาสติปัญญาผู้ใครนี่ยนะถ้าเรามีสติปัญญาอย่างนี้ในทุกเรื่องทําด้วยสติทําด้วยปัญญาอย่างนี้เนี่ยคือหวัวใจของนักปฏิบัติแต่ขาดสติเมื่อไหร่ด้วยสติมันน้อยเมื่อไหร่อันนัก็แสดงการปฏิบัติของเรายังไม่ได้หมดอันนั้นก็เพิ่มปัญญาการเนเพิ่มสติปัญญาเอยอะๆพอมีอะไรดึงกลับมา มืไรก็ดึงกับมือถ้ามีอะไรจะดึงกับลมหายใจนี่แหละคนอดลมหายใจก็ตั้งหลักหม่โดยลมหายใจหรือเพราะว่าลมหายใจนะี่ก็เลยมีค่าที่สุดในชีวิตเรานะถ้าไม่มีสามพยางนะก็ไม่มีชีวิตแล้วมันน่าจะประมาณวันนั้นนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่แก้แวของมีค่าอื่นใดเลนะ นี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเราต้องตั้งค่าทำสูงเลยเราจะเห็นคุณค่าและเข้าใจวาาความหมายของลมหายใจก็คืออาณาปานสติเองซึ่งเป็นสิ่งที่พุทเจ้าเป็นอาณาปานสติคือเอาสติเป็นที่ตั้งของลมหายใจความหมายนี่คือจุดเริ่มต้นทุกครั้งถ้าเราจะดึงสติกลับมาก็ใช้ีนดึงโกรธก็ตามเราไม่จุดนั่งตัวเลขนับไม่ถึงนับไม่ทัน ถ้ากดกำลังแค่กวนลมหายใจแค่ท่าทำได้กวนลมหายใจจมูกปลายเท้าเนี่ยมันจะหายไปทันทีไม่ได้แปลมันไม่มีนะมันจะดับมันจะดับก็มานายไปทันทีนี่คืออานิสงส์พนักงานภาษาอักขระก็ขออนุโมทนาเราผู้คนอย่าท้ออย่าแท้ต่อยอดทุกครั้งทุกวันแล้วก็จะลืมแผ่ให้ตาบุทิศเฉพาะใจจงความดีที่เราทํำ ให้กับผู้อิปคูนทั้งหมดตอนที่เรามีตัวมีตนมีธาตุสีการห้านะั่งมันมีผู้อิปภูนอุประกรณ์หาอย่างเยอะแยะมากมายเริ่จากพ่อแนวผู้อิปคูนทั้งหมดนะขออะไรส่งที่พวกเราทําทั้งหมดเนจะลืมแผ่เมตตาทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็แผ่เมตตาตั้งจิตให้ผู้อิปคูนทั้งหมดพ่อแมผู้อิปคูนสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายที่มีคุณต่อเรา ขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับอนิสงฆ์หรว่าผลให้การปฏิบัติของเรานี้ทุกครั้งอย่างเนี้ยเราใจเราก็จะเป็นคนมีเมตตาท่านขอจุดขอให้คุณเมตตามันก็จะเย็นมันก็จะสบายเพราะเราเป็นผู้ให้ไม่มีที่สุกที่มีกมาําลังก็ขออุปัฏฐนาความดีพวกเราทุกคนเป็นกําลังใจเสมอ ถึงแม้อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรถือว่าให้กำลังใจแม่พยาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้แนะเป็นผู้นำก็ให้พวกเราอย่างเต็มที่เต็มกวาสามารถแต่ว่าบางอย่างสังขารมันก็ไม่ให้ก็ทำได้เท่าที่ได้แล้วกันเพราะภาระมันเยอะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันถ้าเป็นพระพูทธสมัยครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวจากครูบาอาจารย์ท่านพูดกลางวันก็อยู่กับพวกเรากลางคืนก็ นี่คือพระุทธเจ้านะปฏิปทาของอาจารย์ยังไม่ใช่อย่างที่เราคิดคนระับครูอาจารย์คนที่เขาหวังคนที่พึ่งเขาอาศัยยังมีอยู่ถ้าจะมีสักกี่รูปกี่นามที่เป็นอย่างนั้นได้ที่เป็นพึ่งพากขาได้นะ้นมันน้อยนะเวลาพักที่มีอยู่ถือว่าพักก็ถือว่าพักจิตถือแม้กายไม่ได้พักจิตมันได้พักเกาอยู่ได้ท่านอยู่ได้ร่างกายมันกรรับรู้มันก็อยู่ได้ถ้าเป็นคนที่ ทำเช่นนั้นเป็นอัปนาสมาธิเนี่โอ้ยิงสบายเลยคือพักนิดเดียวก็อยู่ได้ละจะเป็นอัปนาสมาธิเนาะแต่มันมันไม่เกิดปัญญาตอนนั้นเองแต่อุปจารสมาธิมันเกิดปัญญาเพราะนมันมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเอาแค่แค่นี้ก่อนเพราเรางเงาหางเราสงบเนี่ยพอตื่นมามันยังสดชื่นเลยจิตมันพักนิดเดียวมันก็ยังสดชื่นเลยวันที่เราเป็นอย่างเงี้เพราะจิตมันไม่พักเลย มันไม่ได้พักเลยวนะันนี้คืออันนส้สมร่าผลแห่งการปฏิบตัติขอขอมาถนายอีกครั้งก็ให้เราทั้งหลายได้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเทิด